นามส ก, การเจ้าค่ะพระอาจ า, ารย์คือโยมจะเรียนถามพระอาจารย์กรณีที่คนที่อืดูธาตุแหละเจ้าคะจะจะทํำยังไงกับอาการที่โกรธหรืออะไรที่อยู่ในใจอะคนที่ดูธาตุธาตุดินน้ํามลมไฟอ่ะค่ะเพราว่ามันก็มีหน้าที่ที่จะดูธาตุดินน้ํามลมไฟของเราเลยไฟมักกฟฟนกรก็โกรดไปมันประดับมันไปเองอ่ะก็คือเราไม่ได้สนใจที่ ใช่ยคนที่ดูธาตุดูขันห้าดูร่างกายเน่าเปื่อยผุพังสลายเป็นธาตุดินน้ halfway, ํลาลมไฟมันไม่มันเนี่ยไม่หลงไปเลยความคิดอารมณ์ทั้งหลายทีそうそう่เกิดขึ้นมันไม่หลุดออกไปเลยมั Venus walk. นมุ่งแต่พีชนะแต่เรื่องร่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังยี to ิบสี่ชั่วโมงต่อเนื่องไม่ขาดสายมันไม่ไปสนใจความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่หลุดออกไปเลยมันไม่หลุดออกไปแบบมีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นมันไม่หลุดไปหาความคิดอารมณ์นั้นเลยเพราะว่าจิตใจมันมุ่งมุ่ง สนใจแต่การพิจารณาล่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังสลายเป็นธาตุดินน้ำลมไปความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีผลไม่มีที่พลต่อใจที่จะร่างกายออกไปได้เลยคือมันเนี่ยมีความสนใจเป็นพิเศ ษ, ษกับการพิจารณาร่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันไม่มีความหมายต่อใจเลยเพราะว่างานสำคัญที่สุดของชีวิตคืองานพิจารณาร่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังให้เป็นธาตุดินน้ำลมไปอันนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุดของชีวิตของคนที่ชอบพิจารณาร่างกาย แล้วอันเนี้ยเร็วมากนะถ้าใครพิจารณาตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยเร็วมากเลยไม่กี่เดือนถ้าต่อเ น, นื่อไม่ขาดสายจริงระเบิดโลกธาตุไปหมดเลย <S <S สิ้นความยึดบ้านถือบ้านไปเลยเร็วจริงๆเพราะอะไรรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสอารมณ์ภายนอกไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเลย <S <S เอทำอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเลยเพราะว่าใจมันไม่หยุดจากการพิจารณาจัดติดจดจอจดจ่อจัดติดกัดติดจดจอร่จๆๆจอางกายเราท้ายน่องแก่แก่ชราตายเจ็บป่วยเอ ตายหน้าเปื่อยปูพังสลายเป็นธาตุดินน้นําลมไปไปเผาล้เป็นขี้เถ้าเราเอาขี้เถ้าไปลอยอ่างคานหมดไปลอยน้ําทิ้งหายหมดแล้วไม่เ ห, หลืออะไรเลยเราคือคนที่โลกลืมมาจากดินกับคืนสู่ดินมาจากน้ํากับคืนสู่น้ามาจากลมกับพื้นสู่ลมมาจากไฟกับพื้นสู่ไฟมาจากความว่างเปล่าก่อนเกิดก็ไม่มีตัวเรามีตัวเราขึ้นมากะดับหายไปสู่ความไม่มีตัวเราสุดท้ายเราเนี่ยคือคนที่โลกลืมไม่มีใครเขารู้จักเราอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้าแต่เราหลงตัวเอง แค่นั้นเองเราพิจารณาแบบนี้กัดติดจดจอจด จ, อ จ, ดจอ่กัดติดองนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนยี่ชั่วโมงท่าไม่มีเวลาหยุดพักอ่ะแล้วในรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่มีค่ามีความหมายต่อใจเลยมันไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเลยมันเกิดปุ๊บก็รู้อยู่ว่ามันเกิดมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นมันก็รู้อยู่ว่ามีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นแต่มันไม่ไปให้ค่ายวันวันคันไม่มีความหมายต่อใจเลยเพราะว่าใจมันมุ่่่่งแแตตพิจจาาาาาาาารรณกกยยยเเเนีีมมมมคคคววว็บ เนาเปื่อยผุพังสลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแล้วก็ถูกเผาละลายหายไปหมดสิ้นไม่เหลือรล่อเป็นต้นเป็นต้นไปพิจาณาเห็นซ้ําๆซ้ำๆ้ๆอย่างเงี้ยย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายยังอื่นไม่ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเลยพิจารณาต่อเนื่องแบบเนี้ยหลายคนก็พิจารณาเนี่ยไม่กี่เดือนน่ะโลกธาตุระเบิดหมดเลยระเบิดโลกธาตุสามแดนโลกธาตุกรมภพลูกภพกับลูกภพแตกแหลกระเบิดขาดสะบ้าในหมดเลยไม่ไม่ติดอยู่ในใจเลยไม่มีภพชาติที่อยู่ในใจขาดไปหมดเลยไม่มีเลย ก็เรียนถามต่อนะเจ้าคะในขณะที่พิจารณาว่าออ่ร่างกายเราเนี่ยขึ้นอืดแล้วก็พองขึ้นอะไรอย่างนี้เราต้องมีภาพนั้นประกอบไปเจ้าคะเนอมันเจ้าเจ้าเหมืใชมีมนโนภาพมีความรู้สึกมีทั้งมนโนภาพทั้งความรู้สึกเกิดขึ้นในใจมนโนภาพไม่ใช่ว่าเอาภาพตัวเราไปเพง่งไว้ข้างนอกแล้วเอาตัวเราไปเพง่งภาพแล้วเน่าอย่างนี้ น, นนะไม่ใช่นะคืนน้อมเนี่ย น้อมที่ตัวเราไม่ใช่ว่าเอาภาพไปตั้งไว้แล้วก็ตัวเราไปเพ่งภาพตัวเราเนี่ยน่ะคือน้อมหรือเอาภาพคนเน่ามาแล้วเอาตัวเราไปไปเพ่งอย่างนี้ไม่ถูกไงนี้ทําไม่ถูกอันนี้ทําแบบกระสินหรือสีมันต้องน้อมที่ตัวเราเนี่ยเช่นสมมุติว่าตัวเราตอนนี้มีอายุเท่าไหร่สมมติตัวเราตอนนี้มีอายุห้าสิบหกสิบอ่าถ้าเราก็ดูตอนนี้เราเราอายุห้าสิบแล้วหรือหกสิบปีแล้วเราก็บวกถ้าเราบวกทีละหนึ่งปีมันก็จะช้าไปไม่ทันใจ S <S <IL AN TA GE> เราก็ทีละสิบปีเลยบอกทีละสิบถ้าเจ็ดสิบจะมียงังไงเจ็ดสิบหลักหกสิบตอนนี้หลักเจ็ดสิบเราเจ็ดสิบจะมีสภาพเป็นยังไงเราก็น้อไม่เห็นตัวเราเนี่ยในมนโนภาพในความรู้สึกไม่ใช่เอาตัวเราไปเพ่งไปข้านานนะเห็นว่าตัวเราเนี่ยเจดสิบจะมีสภาพยังไงผมงหงอกขาวโปร่หนังเหี่ยวยอดเริ่มเริ่มเดินจะลุกจะเดินก็ล้มบาดไม่หมดหม ด, หมดเลี่ยหมดแรงหนังก็เหี่ยวยน่นไปหมดเลยเริ่มทีก็หลังงองงุ้มแล้วเริ่มถึงไม่เท้าเลยเจ็สิบ เราก็ถ้าดูไม่ออกเราก็ลองไปไปถามโยมในที่นี้ยใครเจ็ดสิบ้างเราก็ลองสังเกตดูแล้วก็ไปถามเขาว่ า, าโยมเจ็ดสิบใช่ไหมอะไรเงี้ยอายุเจ็ดิบหลักเจ็สิบใช่ไหมเนี่ยโอ้เขามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หนังเดียวย่นแบบนี้ผมออกอย่างนี้หมดสภาพร่างกายอ่อนล้าอ่อนแรงแบบนี้แล้วก็ถามเขาว่าแรงมีกําลังแรงเท่าเดิมไม้ยเดินขึ้นบันไดเหนื่อยไหม เนี่ยเดินสองชั้นสาชั้นเหนื่อยไหมยกของหนักๆไหวไหมมีแรงเดินได้เหมือนเดิมไหมเหมือนลุงลุงทศสาวไหมแล้วก็ตามองเห็นชัดดีไหมหูนี่ได้ยินชัดดีไหมแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บเริ่มไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือมีอะไรมากไหมฟันเริ่มเหงือกจ๋าฟันลาก่อดไหมอะไรเงี้ยก็ค่อยๆถามเข้าทีละอย่างทีอย่างแล้วเรามาเป็นของเราว่าเจ็ดสิบเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แงๆเลยโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มเบียดเบีย ฟันก็ถักไปค่อยๆหกักผูกฟังไปหลายซี่ร่างกายก็สุดโซไปอ่ะเสร็จแล้วก็พอพี่นายเห็นชัดๆรู้สึกในใจเราก็แปดสิบอ่แปดสิบหลักแปดสิบไปถามคนอายุแปดสิบอ่ดูคนแปดสิบแล้วเราก็น้องตัวเราแปดสิบเราต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆเก้าสิบไปดูคนอายุเก้าสิบในนี้ไม่เหลือเลยทุกคนเก้าสิบเป็นคือเป็นกี่เท่าทุลีกับกืนสู่ดิน กับคืนสุตาหมดแล้วดินน้ำลงไปอากาศสะทาหายไปหมดแล้วเก้าสิบถ้ายังเก้าสิบไม่ลงแก่ใจร้อยหนึ่งร0อยหนึ่งไปเดินหาคนเดีนี้ร้อยหนึ่งใครอยุร1อยปีมากไม่เหลือเลยร้อยปีในโลกนี้แทบจะไม่เหลือไปหมดแล้วแต่ยังไม่สะใจตอนนี้พอถึงร้อยบวกทีละร้อยสองร้อยปีไปถามหาคนอายุสองร้อยปีเป็นยังไงตายเป็นกีฏเผ่าตูรีกลายเป็นดินไปหมดแล้ว นั่นแหละนั่นแหละคือเราจนเห็นเนี่ยอย่างเนี้ยในความรู้สึกชัดเจนเลยว่าเราต้องเป็นเช่นนี้จิตมันเนี่ยมันจะก็ค่อยปงปล่อยวางงปล่อยวาจากความโลภโลภโมโทสันมันจะเอาไปทําใหม่ไม่ได้เหลืออะไรเลยเอาไปไม่ได้เลยปีเท่าไหร่ก็ต้องจ่าไปหมดเนี่ยความโกรธเนี่ยสุดท้ายก็ดับหายไปหมดจะไปโกรธแค้นเกลือก้างหาบุ่ยเจ็บทําไมที่สุดเกลือเตือนมาก็ตาย จากกันไปหมดแล้วจะไปปวดแกนแกนเขื่อนมาท้าพยาบาทอยู่ทําไมเนี่ยความโลภความโปวดความหลงหมกมุ่นกุศลจิตทั้งรักทั้งชังรั้งวิตกกังวลนั่นจะไปเป็นอยู่ทําไมซึ่งท้ายก็พัดพาจากการไปหมดแล้วไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะอยู่ยั่งยืนคำว่าบางทีคนที่เรารักทางเคียงเราก็จากเราไปก่อนแล้วหลายคนแต่ไม่ช้าหรอกบางทีเราก็จากเขาไปก่อนแล้ว ไม่มีอะไรเลยมามือเปล่าที่สุดก็กลับไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาแค่นั้นแนะความโลภความโกรธความหลงพอเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆอ่ะมันก็หมดไปจากใจเราก็สิ้นกิเลสไปได้แค่นั้นแหละที่จะณาจะเนี้ยคือโยมยังสับสนอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์คือแสดงว่าการมอง อร่างกายเนี่ยคือขันห้าเป็นอสุภะกับการที่พิจารณาว่าเขาเป็นแค่ดินน้ําลมไฟนี่ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันใช่ไหมจ๊ะค่ะคือในแง่มุมไหนก็ได้เพื่อให้เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงจะแง่มุมไหนก็ได้คือวัตถุประสงค์ถ้าเราเข้าใจว่าเพื่อเห็นว่าร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงยึดติดไม่ได้มาแล้วก็ต้องจากไปหมดเส้นยึดอะไรไม่ได้ก็จะสิ้นการยึดทั้งข้างนอกสิ่นการยึดทั้งตัวเรา<ม>พี่นาเพื่อให้เห สิ้นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราเนี้ยเป็นตัวเป็นคนเป็นตัวตนของเราจริงๆหรือมีตัวเราอยู่ในตัวนี้อยู่ในร่างกายเหล่านี้หรือหรือสิ้นไว้สิ้นที่ถือว่าตัวเราเนี้ยเป็นตัวตนของเราไอ้ร่างกายเราที่กําลังนั่งฟังของตาเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเพื่อให้สิ้นยึดมั่นถือมั่นว่าในตัวเราเนี่ยตัวที่กําลังนั่งฟังของตาเนี่ยมีตัวเราอยู่ในตัวเหล่านี้เพื่อให้สิ้นความยึดถือว่ามีตัวตนเรามีตัวมีตน เราจะลอกออกก็ได้ลอกค่อยๆลอกผมขนเล็บฟันหนังลอกออกทีละชั้นจะชั้นลอกออกไปเหมือนลอกกาบกล้วยลอกออกไปลอกออกไปลอกออกไปทีละชั้นลอกหนังออกก่อนแล้วก็เลือดนึกน้องถ้าลอกหนังแล้วจะเป็นไงมันก็เหลือแต่เลือดเมือแดงแดงกุ้มกระดูกเราก็นึกถึงไม่ชัดเราก็ไปดูที่เขาขายอะอะไรนะ่ไอ้กุ้งกระดูกอ่อน่ะ กระดูกอ่อนแล้วเราก็แล่เนื้อออกไปแล่เนื้อออกไปแล่เนื้อออกไปให้เหมือนในกระดูกอ่อนเดียบดูในท้องตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวไปที่เราไปซื้อมาทำกับข้าวมันก็มีเลือดมีเนื้อแดงๆติดเต็มเลยเราก็เนี่ยเราที่สุดลอกออกกัานท mm ี hmm. ่ส right ุดแล้วเหลือแต่ไอ้กระดูกเนี่ยมันพุ่มอวัยวะอยู่ภายในม้ามตปอดหัวใจกระต่าเนี่ยมันก็ลำไส้น้อยไส้ใหญ่มันุ่มไว้องเงี้ยเราก็เอาขวานสับข้าวกระดูก มันตีเขาสับกระดูกก่อนขายเราอะแล้วก็เข้าไหนก็สาวเอาไส้เอาวัยาวะผอกมาโยนทิ now, there. There ้งโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งเพื่อหาดูว่าดูแก่นนะเพื่อค้นเข้าไปว่าแก่นนะคือตัวต้นของเราที่เป็นแก่นสารสาระเนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนในตัวเราที่เราว่ามีตัวเราอยู่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค้นก็ไปค้นก็ไปค้นเขไปค้นเขไปค้นเไปน่ะลอกออกให้หมดลอกออกให้หมดเหมือนลอกกลับกล้วยเจอแบบที่เราเข้าใจว่าต้นกล้วยมันมีแก่น เหมือนกับมีแก่นไม้มาผ่าโมมีแก่นไม้เต็งไม้ลางไม้แดงเนี่ยที่เรามาทําบ้านได้เนี่ยเหมือนกับมีแก่นคือตัวเราเนี่ยมีแก่นคือมีแก่นเป็นตัวเราเป็นแก่นสารสระมีตัวเราอยู่ในตัวเราเราลอกเข้าไปเพื่อจะหาว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในในมีปีตัวเราตรงไหนที่เราว่าเรายึดถือว่ามีเราเป็นตัวเป็นตนตัวเราไปอยู่ตรงไหนลอกเข้าไปลอกเข้าไปลอกเข้าไปลอกวันแล้ววันล่าว่าเราที่ตัวน้ำมันกัทนเนี่ยความจริงไม่ได้เพราะว่าเราลอกเหมือนก็บลอกกากกล้วยลอกไปลอกไปลอกไปเพื่อจะไปหาแก่นของต้นกล้วยลอกจนนหมมมดแลล้ปไงกก่ยต ไม่มีเราลอกตัวเราจนหมดสิ้นจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกก็เอาไปเผาไฟหมดไหนอะแล้วตัวเราอยู่ไหนหาตัวเราสิอ้าวไม่มีนี่บางครั้งข้างเดียวก็ปรลุ่อลหานไปเลยบางท่านอะเนี่ยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเพราท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เลยไม่ไม่เอ่ยตามท่านก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลงตาท่านป่วยท่านท่านท่านป่วย ท่านป่วยแต่เด็กแต่วันนั้นท่านป่วยมากท่านบวชได้ประมาณสี่พรรษาเลยสี่หรือห้าพรรษาเนี่ยท่านป่วยมากถ่าก็ไปนั่งที่ริมแม่น้ํโขงนั่งดูแม่น้ำโขงที่มันน้ำหนองเต็มตลิ่งท่านก็นึกในใจว่าโอ้แม่น้ำโขงนี่เนาะน้ำหนองเต็มตลิ่งเลยมันคงจะมีวิสัตว์เต็มหมดเลยในน้ำเนี่ยในร่างกายเราตอนนี้เราป่วยมากเลย ในร่างกายเราก็มีธาตุน้ํามีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําปัสสาวะน้ําไขเหมือนข้นอยู่เต็มเลยมันก็เอ็นน้าเหมือนกันน้ําที่เรากินเข้าไปเนี่ยเรากินของน้ําตามธรรมชาติเข้าไปในน้ำมันคงจะมีสัตว์มีเชื้อโรคอยู่เต็มเลยเราถึาป่วยแบบเนี้ยจะตายนะเอเราไปนึกดูแบบนี้แล้วว่าใช่ใช่ในร่างกายก็มีสัตว์น้ําเต็มไปหมดเลยในธาตุน้ําเนี่ยมีเชื้อโรคเต็มไปหมด เอ้อย่างนั้นในในธาบดินมีเชื้อโรคไหมก็ดูอะใต้น้ําก็มีดินแล้วบนดินก็ยังมีดินอีกเอ้แล้วในดินมีสัตว์ไหยโอ้ในดินยิ่มีสัตว์มากกว่าในน้ำเองมันมีรูเต็มไปหมดแล้วรุ่นไปหมดเลยเนี่ยอย่างที่ที่นี่ก็มีมดเนี่ยมดตะน่อยมดอะไรเต็มไปหมดแลยนะฮะเนี่ยก็มีมีจิ้งหรีดมีงูมีไส้เดือนมีมีสัตว์อะไรเต็มไปหมดในในดินเนี่ยอ่ะโอ้ ถ้าอย่างนั้นเน่ยในยินก็มีสัตว์เยอะมากกว่าในน้ำอีกเพราะว่าในใต้น้ําก็มีดินในบนพื้นดินก็มีดินอีกโอ้โหแต่สัตว์มันคงเยอะมากถ้าอย่างนั้นในในร่างกายเราก็มีทั้งเชื้อโรคทั้งในในน้าและในดินเต็มไปหมดเลยก็นึกในใจว่าทํายังไงถึงจะเชื้อโรคมันถึงจะหมดไปถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็นึกในใจว่าทํายังไงสัตว์น้ําเนี่ยมันถึงจะหมดไปจากในดินในน้ําทําก็ปรากฏแก่ใจว่า ถ้ายังตราบใดยังมีดินกับมีน้ําย่อมมีสัตว์มาอาศัยไม่มีทางกำจัดสัตว์ได้หมดตราบใดยังมีดินกับน้ําในร่างกายเราย่อมมีเชื้อโรคมาอาศัยย่อมมีสัตว์มาอาศัยสัตว์จะไม่มาอาศัยได้ต้องทําลายแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทั้งหมดคือต้องทําลายดินกับน้ําให้หายไปหมดคือต้องทําลายโลกนี้ให้หายไปหมดเลยไม่มีทั้งดินในน้ําก็จะไม่มีสัตว์อยู่อาศัยท่านก็นึกในใจว่าเอจะทําลายโลกได้ยังไง โดยที่ชีวิตไม่ดับทำลายดินกับน้ำเนี่ยจะทาลายได้ยังไงมันหมดไปสัตว์เชื้อโลกมันจะได้ไม่มีไม่ได้อยู่ที่อยู่อาศัยโดยที่ชีวิตมันไม่ดับไปด้วยเพราะว่าอาราีิไม่ได้ดับชีวิตนะแต่ทำลายดินกับน้ำได้อย่างไรโดยที่ยังไม่ถึงแก่ความตายตอนก็นึกจดจ่ออยู่สี่วันสี่คืนหาอาวุธที่จะมาทำลายดินกับน้าให้มันไม่ไม่เหลือเป็นชิ้น อาวุอะไรมันก็มาแย่อย่งไรมันก็เหลือเป็นชิ้นๆหมดอ่ะมันไม่สามารถทํำลายได้ได้หมดสิ้นเอ๊นึกไปนึกมามันก็ปรากฏขึ้นมาว่าระเบิดปรมานูล้างโลกเนี่ยคงเคยคงเคยอะไรนะไปดูไอ้ที่ไอที่ที่ญี่ปุ่นเขาเอาเอาระเบิดปรมานูไปทิ้งแล้วก็เกาะมันจมเลยตุ้มเดี๋ยวมันแทบจะโลกแทบจะแตกระเบิดเลยระเบิดปรมานูล้างโลกระเบิดปรมานูล้างโลกท่านก็มีความรู้สึกว่าเอาระเบิดปรมานูใส่เข้าไปในตัวเอง แล้วมันก็ระเบิดตุ้มเดียวนั่นแหละมันระเบิดท่านบอกว่ามันเหมือนระเบิดจริงๆเลยเหมือนกับระเบิดปรมาณูมันระเบิดสนั่นบรรไวเลยตุ้มเดียวนั่นแหละปรากฏว่าท่านคิดแต่ท <laughs> ําลายแต่ดินกับน้ําเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคได้อาศัยไม่คิดอะไรอย่างมากกว่านี้ตู้มเดียวเนี่ยอดินและน้ําหายหมดเลยคิดดูสิระเบิดปรมาณูลูกหยอนไปในร่างเราถ้ามันระเบิดจริงๆแล้วมันเป็นยังไง มันไม่เหลือดินไม่เหลือน้าจริงๆนะมันเหมือนแต่เป็นอวกาศอ่ะเ mm หลือแต่ความว่างอวกาศแต่มาไล่กว่านั้นคืออ้าวเฮ้ยแล้วตัวเราหายไปไหนด้วยอ้าวไม่ใช่ดินกับน้ําปัญหาเพียงเดียวพราะไม่มีดินไม่มีน้ําเป็นที่อยู่อาศัยแล้วตัวเราหายไปไหนด้วยอ้าวตัวเราก็ไม่มีด้วยหายไปก็ด้วยไปด้วยเลยเนี่ยพราะไม่มีดินไม่มีน้ําแค่นั้นแหละอ้าวตัวเราก็ไม่มีอยู่สิใน่งเงี้ยอ้าวตัวเราอยู่ไหนเนี่ยตัวเราไม่มีตัวเราไม่มี ดความยึดมันถือมั่นว่าเรามีตัวมีตน ม, มีตัวตนของเราบรรลุอรหันต์ขนาดนั้นเลยตูมเดียวแค่นั้ น, น่งทีเดียวเลยบรรลุอรหันต์เลยเนี่ยท่านเล่าให้เราฟังต้องสี่ห้าครั้งเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยจดจำไว้ยมจะขออนุญาตกาเรียนถึงสภาวะที่ยมลองปฏิบัติโดยความเข้าใจจาก คือคือความเข้าใจจากที่หลวงพ่อเนี่ยได้โปรดญาติโยมใช่ไหมเจ้าคะว่าการพิจารณามันมีหลายแบบโยมก็ใช้วิธีคือโยมสังเกตดูตัวเองว่าโยมเนี่ยสังเกตเห็นธาตุลมลมในตัวเองเนี่ยเด่นมากโยมก็เลยลองดูลมก็คือเห็นลมปรากฏขึ้นโยมก็บอกว่าเนี่ยลมลมลมแล้ว พอเมื่อวานเนี้ยตอนบ่ายโยมก็เห็นแล้วว่าลมของโยมเนี้ยมันเกิดคือมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างนั้นแล้วก็แล้วหลังจากนั้นมันเหมือนกับร่างกายโยมเห็นแต่ลมไม่ไม่เห็นตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแปลว่าการคือหมายว่าการปฏิบัติแบบเนี้ยมันมันถูกต้องไหมเจ้าค่ะ เออมันมันปฏิบัติถ้าเราปล่อยวางเนี่ยเราเป็นธาตุจริงเนี่ยปล่อยวางไปแล้วเนี่ยมันแต่ละครั้งมันก็ใจมันก็ว่างเปล่าจริงๆเนี่ยคือแต่มันเน่ยอย่าไปเชื่อมันอย่าไปอยู่กับความว่างนะะะค่เราจะพิจารณาแง่มุขก็ได้เมื่อใจมันพงปล่อยวางเห็นร่างกายตัวตนของเราไม่มีเนี่ยมันเป็นธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยแล้วก็มันมันเบาไปหมดเลยกายเบาใจเบาที่มันว่างไปหมดเลยเนี่ย ห้ามไปสนใจความว่างนั้นแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึน่งก็ห้ามไปสนใจเด็ดขาดเลยต้องกลับมาน้อมพิจารณาซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกต้องห้ามเชื่อเด็ดขาดเลยมันหลงเยอะคนหลายคนไปพอพิจารณาเสร็จแล้วมันนิ่งมันว่าง ม, ามันสงบแล้วไปอยู่กับความนิ่งว่างสงบความเบาความสว่างไปเลยอันเนี้ยหลงเลยกลายเป็นวิปัสสนาอุปเลรไปเลยมันต้องน้อมกลับไปอีกที่เนี่ยเป็นธาตุดินน้ํนามลมไฟสลายไป ผูความไปไม่เหลืออะไรไมัเหลือตัวเหลือตนน้อมกลับมาอีกซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็ยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งสว่างเบาว่ากเลยเดินไปเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนไม่มีน้ําหนักเลยแต่อย่าไปสนใจเด็ดขาดเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ห้ามสนใจความเบาความว่างความสว่างความสงบเป็นเด็ดขาดเลยมันจะหลงเลยตอนนี้เป็นนิพพานุปกิเลร คำว่าสนใจคือชอบใช่ไหมเจ้าค่ะคือมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปพี่นาต่ออ oh, เราก็ s <S มันมันว่าเสร็จแล้วเราก็กลับมาน้อมใหม่ uh huh. ว, ว่างวางยังไงก็เบาใหม่ก็กลับมาน้อมใหม่น้อมใหม่นอกใหม่ซ้ำ อ, อย่างนั้นแหละร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็อย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถ้าเราเห็นชัดในความรู้สึกเราเนี่ยเราจะต้องไม่ไม่ไปนั่นเลยถ้าจะไม่ไปดูหนังฟังเพลงถ้าไปไปคุยไม่ไปมั่วสุมกับใครเลย ไม่ไปเล่นแชทเล่นไลายแม่อะไรนั่นอะไรกัดติดจอดจอจกัดติดกัดติดจอดจอเรกัติดทั้งวันทั้งคืนไมต่อนั่นไม่ขาดสายเลยเพราะว่ามันกาลังชัดชัดชัดชัดชัดในความรู้สึกเราว่าโปร่งไปวางมันชัดคือโปร่งไปวางนะยภาพมันชัดนะคือมันเห็นแล้ใจมันก็โปร่งไปวางพร่งไปวางโปร่งไปวางโร่งว่าไม่ใช่ว่าเราไปเพ่งเห็นแต่ภาพจะชัดอย่างนี้เป็นกระสี lighting, ลือสีเราต้องมันจะต้องทั้งเห็นทั้งรู้สึกงปร่งไปวางไปพร้อมกันว่าตัวตนไม่มี ก็นึกน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมมันจะทั้งทั้งชัดในความรู้สึกแล้วก็ความโปร่งปลวางมันก็ชัดชัดชัดชัดชัดปร่งปล่อยวางโปร่งปวางโปร่งปวางตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ช้าแล้วสึกครั้งนี้จะต้องชนะขาดมันรู้เลยว่าจิตมันไม่ไปไหนเลยอ่ะไม่ว่าจะทํากิจการงานใดในชิในในกลางวันเนี่ยใจมันไม่หลุดจากการพิจาราโปร่งปวางเลยกิจการงานก็ทําไปตามปกติแต่ใจมันติด เลยเนี่ยมันกัดติดจดจ่อเลยมันไม่ขาดไปจากใจเลยแ้าไปต้องตั้งใจน้อมเลยมันกลับติดกันเลยไม่หลุดเลยเป็นหนึ่งเดียวกันแทบจะเป็นเอกคาตาจิตเป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยมันกัดติดจดจ่อจนเป็นอันเดียวกันไปจนมันพิจารณาของมันเองเลยทํางานอะไรก็ทํางานไปตามปกติแต่ใจข้างในมันกลับติดจดจ่อจดจอกับติดอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ไปสนใจเรื่องอื่นเลยจิตมันก็ปองไปวางพองไปวางจิตปงไปวางใจมันก็แฮ้งไปหมดเลย แต่ก็ไม่สนใจใจที่แห้งใจที่กาที่เบาใจที่เบาสบายไม่สนใจเลยไม่สนใจมีความสว่างมีความว่างมีควาอะไรก็ตามไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยหนึ่งเอาแต่พงไปเอาแต่พิจารณาพงไปวางพงไปวางพงไปวางต่อเนื่องไม่ขาดสายบางครั้งกายพิจารณาแง่นี้บางทีใจมันก็พิจารณาแล้วไม่รู้สึกพงไปวางถ้าเท่านี่มันพงไปวางมาตั้งทั้งคืนนะหรือพงไยวางมาหลายวันแต่พอพิจารณาพักเก่าลักษณะเก่าอย่างเดิมจิตมันไม่พงไปวางเฉยๆงั้นแหะ มันแห้งแรงไปไเฉยงานพิจารณาแบบแห้งแรงไปไเฉยมันไม่พงไฟวางเฉยเลยเพราะว่ามันชินจิตบันชินเราก็ต้องเปลี่ยนแง่มุมใหม่ให้มันตายในลักษณะนี้ตายในลักษณะนี้ตายในลักษณะนี้เห็นในลักษณะอย่างนี้ไม่พ้นจับในเรื่องของร่างกายแต่มีลักษณะการตายที่แตกต่างออกไปเพราะจิตมันเห็นลักษณะการตายในลักษณะใหม่มันก็สนใจใหม่สนใจพิจารณาอีกต่อต่อต่อที่อบาไปถึงเที่ยงคืนแห้งแรงได้อีกแล้วแบบนี้เราก็เปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนการพิจารณาอีกบางครั้ง ไม่ต้องเห็นเป็นมนโนภาพแค่ยกเอาทำมาปรากฏแก่ใจว่าอะ น, นิจาวัตสังคาลาอุปปิยาธ ม, มิโนอุปะตะวานิโรจนติเตสังอุปะ ส, ะสัโมตุโขแค่นั้นเนี่ยใจมันปงหวาบไปเลยเพราะว่าเวลาเราไปตายแล้วก็จะต้องเอาพาบางสกุลมาวางพาดเป็นตัวเราแล้วก็พาอึ่งไปฉาบผ้าบางสกุลตัวเราศพที่ศพเราว่าอะ น, นิจาวัตสังคาลาสังขารไม่เที่ยงหนอดูกันเอาไว้ อุปาดาวายธรรมีโนปตวานิรุชนีเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยต้องมีความแก่ความเจ็บความตายดับไปเป็นธรรมดาเล mm hmm. สังอุปสโมสุโกผู้ใดระงับดับความพุงแต่งที่บ้านถึงบ้านจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่เนี่ยคือพรานิพานคือสิ้นสังขาร น, นะไมนมีสังขารที่สังขารกายสังขารจิตสังขารขันห้าหรือสังขารที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็คนจับ เป็นความสุขอย่างยิ่งจิตจังขานก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริงก็พอนึกน้อมแค่นี้จิตมันก็พงวับวับววับเลยแล้วก็กลับติดตรงเนี้ยอ น, นิจจาซ้ำซ้ำนะอยู่นี่แน่อนิจจาวาระสังขารหลาาังเราซทั้งคืนทั้งวันถึงสว่างแล้วก็บางทีเอา้าอยู่ๆมันก็แห้งไปอยู่แล้วต้องเปลี่ยนมาเป็นสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขารทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย สัพเพ昙านตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่อาจจิตมันสื่อมั่นได้ใจมันกระพงปล่อยวางว่าบัลลยเปลี่ยนบทแค่นั้นเนี่คือต้องมีทันมาเนี่ยโอ้ยจิตใจเนี่ยต้องทันต้องทันกิเลสเฉลียวฉลาดมากเลยแคบเดียวเนี่ยมันดื้อถ้อย่างนั้นเนี่ยแต่เราเหนือกว่ามันคือเรารู้ทันมันว่ามันดื้อแล้วมันไม่ยอมปงปล่อยวางลักษณะแบบนี้มันปลงปล่อยวางมันดื้อเปลี่ยนปักเลยเปลี่ยนแง่มุมเลยเปลี่ยนแง่มุมให้มันตั้งหลักไม่ทัน ออพงงอเปลี่ยนเงียมุมพกมันปงไปลาวางอ่าอย่างเงี้ยซ้ํา้ำซ้ำแต่พอ ป, ปงไปวางมไปวางแล้วไม่สนใจอะไรเลยนะเรื่องอื่นไม่สนใจเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่ไปสนใจกูกับใครดูหนงงังฟังเพลงเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรมันไม่สนใจเลยมันไม่ไปสนใจเลยอะสิ่งอื่นก็ไม่สนใจไม่ไมีมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจเลยมันใจมันกัดติดจดจอ่อจดจอ่อกัดติดแต่เรื่องการพิจณาความจริง ยิ่งโพรมันก็ยิ่งว่างยิ่งเบากายเบาเหมืนห่อเออเดินอากาศได้เหมือนไม่มีน้ําหนักเลยเหมือนก็มีแสงสว่างสว่าเจิดจ้าไปหมดเลยบางทีมันก็มีอย่างอื่นปนว่าเนี่ยเวลาเดินอยู่เนี่ยเดินจกลมตั้งคือเขหลับมาแล้วเดินไปเดินมามันหอไปหมดเลยทั้งโลกธาตุกลิ่นที่ไม่เคยมีปรากฏในโลกเนี่ยเราก็รู้แล้ว่าไอ้กลิ่นนี้มันไม่ใช่กลิ่นธรรมดาแต่ก็ไม่เป็นไรบางทีก็เดินไปก็กลิ่นซากศพเดินตามเราเนี่ยเหม็นเน่าไปหมดเลยเราก็รู้ก็เลยว่ามันไม่ใช่ธรรมดาพวกนี้มันก็มาขอส่วนบุญแล้วก็เดินพี่นางเราไไปน่มสใจ เนี่ยทั้งวันทั้งคืนมันก็เดินเดินไปก็ไปกินผู้หอมก็มาละอย่างเงี้ยเราก็ไม่สนใจเราเดินพิณาไปทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เดินเดินเดินเดินเดินไปอย่างเงี้ยวันทีก็มีผู้มาล่วงมาโมธนาด้วยอย่างเงี้ยก็หอมไปหมดวันทีก็มีล่วงมาขอส่วนบุญก็เหม็นเป็นทราบสพไปหมดอะไเงี้ยทีเราก็เดินไปซ้ำซ้ำซกัติดจอดเรื่องเรื่องการพิณาอยู่แค่นั้นแหลที่มันก็ยิ่งเบายิ่งว่างยิ่งสว่างยิ่งสงบยิ่งฟงไปวางวาว่าวๆาว่าจะไม่ไม่สนใจเลย ไม่นให้ค่ายความขใจกับอความเบาความว่างความสงบควาอะไรอย่างเงี้ยเลยคือมันเบาก็เบาไปว่างก็ว่างไปแต่เราพิจารณาพี่นาเอาอย่างเดียวความจริงอย่างเดียวแต่เพราะว่ารู้รใจแล้วว่าสึกครั้งเนี้จะชนะแหละจะชนะแหละชนะขาดแหละเพระรู้แล้วว่าจะชนะขาดพี่นาปลงพี่นาพี่นาพี่นาจาม ก, ก็ปลงโปลงป ง, ปงไปว่างแล้วก็ขนาดจิตหนึ่งเนี่ยจิตมันก็ มีทำอะไรประสัมผัสใจที่ว่าทุกสรรพสัตว์ทุกสรสรพ ส, สิ่งทั้งหลายไม่ว่าคนจัดพืชล้วนที่สุดก็อนิจจังทุกขออัอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วอายไปจนวหมดสิน้นไม่ว่าคนจัดและพืนอนิจจเกิดก็เพื่อตายเท่านั้นเองจะเกิดมาทําไมเกิดมาก็เพื่อทุกทุกจนตายกับการหาอยู่หากิน กับการหาเลี้ยงครอบครัวกับการต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์โศกเศร้าเสียใจเกิดก็เพื่อตายเกิดมาก็เป็นทุกข์แลมันไม่น่าเกิดเลยเกิดมาก็คือตายอย่างเดียวเลยเกิดมาก็เพื่อตายชีวิตสั้นน่ไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมานแค่นี้อาจารย์มานกงบ่อยว่าวับแต่เนี้ยโตกกท่าภายในมันก็ระเบิดเลยเนี้ย ระเบิดออกมาจากใจทะลุไปอยู่โลกธาตุสามแดนโลกธาตุมันก็ระเบิดโลกธาตุทิศความยึดมั่นถือมา่คือกามาโลกรูปวโลกอารมูปโลกโลกทั้งสามที่มีแรงดึงดูดสรพสับทั้งหลายกลับเข้าไปเวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้งสามดิมยอำนาจของกิเลสมันก็พอกิเลสหมดจากใจแค่นั้นแหละความพงปล่อยวางแค่นั้นแหละแรงดึงดูดของสามแดนโลกธาตุก็ขาดสะบั้นมันก็ระเบิดสามแดนโลกธาตุหลุดออกไปเหมือนกับเนี่ยอโลกของเราเนี่ย ชั้นบรรยากาศมัน ม, นมีแรงดึงดูดเนี่ยเราโยนของขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันจะต้องตกมาบนพื้นบนพื้นโลกหมดเนี่ยไม่ว่าจะโยนของอะไรขึ้นไปบนฟ้ามันจะต้องตกมาที่พื้นโลกหมดเพราะมีแรงดึงดูดดังนั้นเวลาจะหลุดเนี่ยเขาบินขึ้นไปจนชั้นบรรยากาศที่จะจหลุด จ, จากชั้นบรรยากาศไปสู่ชั้นอวกาศเนี่ยมันจะต้องมีระเบิดไอ้ไอ้เครื่องถังเชื้อเพลิงระเบิดบึ้มแล้วก็กระสวยอวกาศก็ระเด็นหลุดปึ้งขึ้นไปในอวกาศหลุดจากชั้นบรรยากาศหลุดจากชั้นแรงดึงดูดของโลก ไปสู่อวก า, าศเป็นเช่นนั้นเลยพวกที่ท่านสิ้นความลงยึดบ้านถือมั่น ก, ก็จะระเบิดเนี่ยแรงดึงดูดของโลกทั้งสามแล้วก็หลุดกระเด็นออกไปสู่อวก า, าศไปสู่ความสิ้นพ้นจากโลกครั้งสามไปไปสู่อวก า, าศคืมีหนังสือลุงตามหาวัวเล่มหนึ่ว่าอวก า, าศแห่งจิตเดิมแท้เรามาจากอวก า, าศก็กลับเดินกลืนสู่อวก า, าศดังเดิมตบพิจารณาอย่างนี้นะ คือโยมยังยังติดตรงที่ลมตาบอกว่ามันแห้งอ่ะมันต้องพลิกจิตอย่างเงี้ยคําว่าแห้งนี่มันหมายถึงยังไงเหรอนะคือมันมันมันแห้งหมายถึงว่าพินาแห้งแรงหมายถึงว่าพินาแล้วเกิดกุ้งซ่านวันเฉยๆไงจิตมันไม่หุนตัวเข้ามาอ้าพินาพงอยู่ดีๆจิตมันพงพงปล่อวางพงไปล่อวางมันไม่หลุดไปไหนเลยอ้าอยู่ๆมันพีนาแห้งแรงกุ้งซ่านเป็นเฉยๆไงเป็นแบบนั้น ขอบพระคุณค่ะ